ปรังคนหนึ่งนะก็ไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าในแอฟริกาก็เป็นนักวิชาการนะนะเรียกว่านักมนุษยวิทยาแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะที่กค่อนข้างไกลาจากความเจริญ แล้วก็คุ้นเคยนะกับเด็กในหมู่บ้านนั้นวันหนึ่งก็อยากจะทำอะไรสนุกสนุกก็เลยเอาผลไม้เนี่ยใส่ตะกร้าผลไม้นี่มันก็ไม่ใช่เป็นของหาง่ายนะในหมู่บ้านนั้นนะเพราะอาฟริกาเนี่ก็ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งยากจนผลไม้ใส่ ตะ ก, ก้านะแล้วก็วางไว้ใต้ร่มไม้แล้วก็ให้เด็ ก, เ, ดกเนี่ยซึ่งกับประมาณอายุประมาณ 8-9 ดขวบสิบวบเนี่ยยืนเรียงแถวหน้ากระดานห่างจากตะ ก, ก้าผลไม้นึงก็สัก50เมตรเสร็จแล้วก็บอกเด็กว่าเนี่ยถ้าว่าใครเนี่ยวิ่ง ถึงตะ ก, ก้าผลไม้ได้ก่อนเป็นคนแรกเนี่ยก็จะได้ตะ ก, ก้านั้นไปนะมันกคือวิ่งแข่งนะนะเสร็จแล้วก็บอกว่าเตรียมฟังสัญญาณนะพอได้สัญญาณก็วิ่งเลยนะพอฝังคันให้สัญญาณนะเด็กทั้งหมดเลยนะก็คล้องแขนกันเป็นหน้ากระดาษเลยนะแล้วก็ค่อยๆวิ่ง จงกทั่งไปถึงตักก้าผลไม้ก็ปรากว่าผลไม้นี่ก็กลายเป็นของทุกคนไม่มีใครคนหนึ่งนะที่ได้ผลไม้ที่ได้ก็เอามาแบ่งปันกันฝรั่งคนนั้นก็งงนะเพราะปกติถ้าเป็นที่อื่นนะเช่นในบ้านของตัวเนี่ยประเทศของตัวเนี่ยถ้าให้สัญญาณนะเด็กก็จะรีบวิ่งเลยนะ เพื่อให้เป็นคนแรกที่จะไปถึงเส้นชัยเพราะเส้นชัยถ้าถึงคนแรกนี่คือได้รางวัลคือผ ล, ลไม้นะแต่ปรากฏว่าเด็กในหมู่บ้านนั้นเนี่ยแอฟริกานี่ไม่มีใครคิดอยากจะวิ่งไปให้ถึงเป็นคนแรกแต่ว่าตั้งใจนะ ไปให้ถึงพร้อมๆกันเพราะอะไรนะก็เพื่อจะได้เพื่อทุกคนจะได้ผลไม้แล้วก็จะได้แบ่งปันเท่าๆกันพรั่งคนนี้ก็เลยถามเด็กนะว่าทำไมถึงไม่มีใครเนี่ยวิ่งเป็นคนแรกให้ถึงเส้นชัยทําไมถึงวิ่งไปพร้อมๆกันเด็กก็ตอบ เป็นเสียเดียวกว่าอูบันตูนะอูบันตูเนี่ยมันเป็นเป็นภาษาหรือว่าเป็นคําขวัญของแอฟริกานะความหมายง่ายๆคือว่าเราจะเป็นสุขได้อย่างไรถ้าคนอื่นยังเศร้าอยู่นะก็หมายความว่ามีสุขร่วมกันมีทุกข์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะของฝรั่งนะ เพราะว่าฝรั่งรวมทั้งในเมืองไทยในเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยก็คิดถึงแต่ตัวเองเวลาแข่งขันกันก็คิดแต่ว่าทำไงฉันจะชนะชนะที่นี่หมายถึงชนะคนอื่นทำไมฉันจะได้รางวัลที่หนึ่งทำไงคนอื่นเนี่ยจะแพ้ฉัน แต่ว่าในแอฟริกานี่โดยเพราะในหมู่บ้านนั้นเนี่ยยังมีความเชื่อมีความคิดจะรีว่าเป็นภูมิปัญญาก็ได้นะว่าเราจะสุขได้อย่างไรนะถ้าคนอื่นยังทุกอยู่หมายความว่าความสุขของเราก็ขึ้นอยู่กับความสุขของคนอื่นด้วยถ้าคนอื่นสุขเราก็สุขด้วยเพราะนั้นถ้าอยากจะให้เราสุขนะหรืออยากให้ตัวเองสุขเนี่ยก็ต้อง ช่วยคนอื่นได้มีความสุขด้วยเพราะว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยอันนี้มันต่างจากความคิดของคนสมัยใหม่นะรวมทั้งเมืองไทยเวลานี้ว่าเนี่ยฉันจะทำไงฉันถึงจะมีความสุขหรือว่ามีมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เมื่อเวลามีการแข่งขันเนี่ยเราก็คิดแต่ว่าทำไงจะ เป็นเบอร์หนึ่งทำไงจะชนะคนอื่นนะที่เขาที่คนแอฟริกานี่บอกว่าเนี่ยความสุขของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความสุขของคนอื่นเนี่ยอันนี้มันเป็นภูมิปัญญานะก็หมายเขาว่าถ้าคนเรามีความสมัครใกันเนี่ยเราก็จะมีความสุขร่วมกันที่จริงนอกจากความสุขแล้วนะความสมัครใก็ยังสามารถทําให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยสิ่งยากๆเนี่ย ทำให้สําเร็จได้ถ้ามีความสามัคคีกันมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีโค้ชคนหนึ่งน ะ, ะพวกเราหลายคนจะรู้จักนะเป็นโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตินะโค้ชออสนะเกติพงศ์แกมีความสามารถในการปั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงนะให้กลายเป็นทีมที่มีความสามารถ ติดอันดับโลกเลยทีเดียวจากเดิมเนี่ยที่ทีมควอลบอลทีมชาติไทยเนี่ยทีมบอลลบอลหญิงทีมชาติเนี่ยไปแข่งที่ไหนก็แพ้แต่ตอนหลังนี่สามารถเอาชนะคู่แข่งเนี่ยที่เก่งได้เนี่ยแกก็มีวิธีฝึกนะวิธีฝึกอั น, นึก็คือว่าเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเวลาให้ทุกคนเนี่ยแข่งให้ทุกคนวิ่ง สองพเมตรนะคือนักกีฬานี่ต้องแข็งแรงและวิธีฝึกให้แข็งแรงคือวิ่งนะวิ่ง 2,000 เมตรภายในเวลา9นาทีโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าแม้แต่คนเดียวเนี่ยภายในทีมเนี่ยใช้เวลาเกิน9นาทีต้องวิ่งใหม่นะต้องกลับมาวิ่งใหม่นะหมายคราว่าจะต้องถึงเส้นชัยพร้อมๆกันหรือว่าทาเวลาได้ดีเหมือนๆกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งวิ่งได้ใช้เวลาน้อยกว่า9้านาทีแต่คนอื่นใช้เวลามากกว่า9้านาทีก็เป็นว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วพักได้แต่ว่าโค้ชรอบอกว่าเนี่ยถ้าคนใดในทีมเนี่ยวิ่งช้านะทุกคนต้องกลับมาวิ่งใหม่วิธีนี้มันเป็นเทคนิคนะอุบายที่ทาให้ ทุกคนต้องช่วยกันมีเพื่อนในทีมที่วิ่งช้าทันยังไงเราจะช่วยทําให้เขาวิ่งเร็วนะไม่ใช่วิ่งไปโดยที่ไม่สนใจคนอื่นใจ ต, ต้องช่วยทําให้เพื่อร่วมทีมเนี่ยนะวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยพร้อมๆกับเราหรือว่าอย่างน้อยก็ใช้เวลาน้อยกว่า9นาทีวิธีนี้มันช่วยทําให้เกิดความรู้สึกเป็นทีมเวิร์กนะ สมัญนี้เราทีมเวิร์กก็คือว่าจะต้องสามัคคีกันช่วยเหลือกันคนใดคนหนึ่งจะเก่งแต่คนอื่นไม่เก่งคนใดคนหนึ่งแข็งแรงแต่ที่เหลือไม่แข็งแรงไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเป็นวิธีการสร้างความสามคัคคีซึ่งเป็นหัวใจนะในการทำให้ทีมในประสบความสำเร็จทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ความสาคัญกับความสามัคคีนะพรเจ้าตว่าเนี่ย ความสมัครใจทำให้เกิดสุขและไม่ใช่แค่สุขอย่างเดียวทำให้เกิดความสาเร็จทำสิ่งที่ยากได้เช่นการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเป็นเรื่องยากนะแต่ฮะแต่ว่าจะทำได้ถ้าว่ามีสังฆะสังฆะก็คือหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์ก็คือหมู่คณะจะต้องมีความสมัคีกันนะพระธรรมวินเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายหนึ่งก็คือทำให้เกิดความสมัครใในหมู่สงฆ์ พอถ้าสงมีความสมคัครใจกันแล้วแต่และคนแต่และคนเนี่ยก็สามารถจะทำสิ่งยากให้สําเร็จได้เช่นการฝึกฝนตนจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์หรือถึงแม้จะไม่พ้นทุกข์เลยก็ยังทุกเบาบางกลายเป็นคนใหม่ได้จากเดิมที่เป็นคนเหยาะแยะ่นะเห็นแกตัวก็กลายเป็นคนที่มีจิตที่พัฒนามีสติมีปัญญา พระเจ้าเนี่ยเวลาเทศนาสั่งสอนหมู่สงฆ์เนี่ยท่านจะมีประโยคนหนึ่งนะไม่ใช่ประโยช์เนี่มีข้อความอยู่หลายประโยค 2-3 ส, สาประโยคที่พระองค์จะย้ำว่าพวกเธอนะอยังพร้อมเพียงยังชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป้ากันได้เหมือนน้ำกับ น, น้ำนมและมองกันด้วยสายตาแยหย่งความรัก ดูหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นมีคราวหนึ่งพระองค์ก็ไปเยี่ยมพระอนุรุทธะพระกิมพิละพระนันทิยะซึ่งปลีกตัวไปบำเพ็ญทำความเพียรพรองก็ไปเยี่ยมนะแล้วก็ถามประโยคนี้แหละและพระทั้งสามเนี่ยนะท่านก็ตอบได้ดีนะก็ตอบว่าเนี่ยแม้กายของข้าพระองค์จะต่างกัน แต่ว่าใจเนี่ยดูเหมือนเป็นดวงเดียวกันนะทำยังไงนะก็บอกว่าเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยข้าพเจ้าข้าพระองค์เนี่ยก็จะนะวางจิตของตัวแล้วก็ทำตามจิตของหมู่คณะก็คือนึกถึงผู้อื่นนะมากกว่าตัวเองอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดความสามัคคี แล้วพอสมัคคีแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจในการทำความเพียรจนกระทั่งถึงความสิ้นทุกข์ได้อย่างพระนุรุท ธ, ธาพรกิมพิระเนี่ยพระนันทิยเนี่ยตอภายหลังท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์นะอันนี้เียว่าทำสิ่งยากสาเร็จได้พ่อใสาความสามัคคีและความสามัคคีเกิดขึ้นได้เนี่ยนะ นอกจากการรู้จักทำใจนึกถึงคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็ออกมาสู่การปฏิบัติคือการแบ่งปันนะการพูดด้วยวาจาที่ไพเราะและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะอันนี้แหละนะเป็นที่มาของธรรมที่เรียกว่าสังคาวัตถุสซึ่งรวมถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันด้วยแล้วในเวลาเรานึกจะทำอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็ให้คิดถึงความสมัครใของหมู่คณะมันก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิด ความสำเร็จและความสุขได้